ก็ข อ, อนอบน้อมต่อคุณพระตนไตรัยขวักบาทพระอาจารย์ยุกิเพื่อนสัตยมิกทุกท่านการเจริญธรรมไม่ชี้และญาติธรรมทุกท่า น, นวันนี้เราก็มาปฏิบัติธรรมกันเป็นวันแรกเนาะการเจริญสตินี่แหละเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อวันนี้ตอนบ่ายก็ไปอบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติเหมือนกันที่วัดภูเขาทองก็มีนับปฏิบัติอยู่กลุ่มหนึ่งก็ตั้งใจดีนะ อ่าส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่เขาก็ตั้งใจกันดีอยู่นะคิดแล้วก็เริ่มพอๆกันเลยนะเขาก็เริ่มวันนี้เป็นวันที่สองเราก็เออวันนี้มันเป็นวันแรกนั่นะแหละใช่ัหมอันนี้เนะี่ยละเมื่อวานนี้ก็มีผู้ใหญ่ก็มาเปิดงานนะมีระดับผู้ใหญ่มานะก็ถือว่างานเจริญสติกนนี่ก็ไปไม่ใช่เป็นงานเล็กๆนะเป็นงานที่เรียกว่าอ่าเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะ เพราะว่าตาบใดที่เราไม่มีสตินั่นแหละเราก็ลงเข้าไปอยู่ในอันตรายซะแล้วเนาะอ่ไม่มีสตินี่อันตรายมากหลายๆอย่างนะอ่อันตรายกับกิเลส ต, ต่างๆได้ด้วยนะเพราะการที่เรามาเจริญสติอนะ่าเป็นอย่างไรนะก็คือการที่เราตามรู้กายรู้ใจลงในปัจจุบันนั่นเองนะ น, นี่สำคัญที่สุดเนาะรู้จักกายรู้จักใจของเราอนะ่เราเกิดมาในชีวิตนี้อายุเราขนาดเนี่ยเรารู้จักเขาหรือยัง ใช่ไหมรู้จักไหมนะเขาคิดแล้วเรารู้ทันเขาไหมนะบางทีเขาคิดเป็สิบเรื่องเรายังไม่รู้สักเรื่องหนึ่งเลยนะเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่รู้จักตัวเขาแล้วนะเขาโกรธเรารู้ทันเขาไหมนะบางคนไม่รู้ทันนะเ อ, อรู้ไม่ทันความโกรธนี่อันตรายมากเลยนะบางคนเนี่ยขับรถแซงกัไปแซงกันมานะปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา คนที่โดนปาดเนี่ยก็เลยโมโหชักปืนมายิงอีกคนหนึ่งตายเลยเพราะเขาฆ่าไปฆ่าเขาตายแล้วค่อยรู้ว่าตัวเองโกรธนะมันก็ช้าไปแล้วนะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าจิตชั่วแล่นนะทําเขาตายแล้วค่อยรู้ว่าตัวเองโกรธเขมีใช่ไหมนี่แสดงว่าไม่รู้จักตัวเองอันตรายมากนะบางคนก็ทะเลาะกันนะไม่รู้จักกันทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมาฆ่ากันตายนะอันนี้ก็อันตรายนะ บางคนที่หนักกว่านั้นข้าพ่อตัวเองก็มีนาะหลวงพ่อคำเขียนนะเคยเล่าให้ฟังนะบอกว่ามีนะสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคราวนี้พ่อของสามีก็ไปว่าลูกสะภ้ยนะลูกสะพ้ยก็เลยไปฟ้องสามีสามีตอนนั้นก็ทํางานเหนื่อยเหนื่อยทำงานหนักนะกลางแจ้งนี่โอ้อากาศร้อนก็หงุดหงิดมากพอภรรยามาฟ้องปุ๊บก็โมโหนะโมโหฉุนเฉียวอนะก็ขี่มอเตอร์ไซ อ่าสพายปืนไปด้วยนะปืนยาวนะทั้งจังหวัดเลยนะเป็นคนจังหวัดเลยพอไปถึงไม่เจอพ่อเอาปืนส่องพ่อเลยพ่อบอกอย่ายิงอย่ายิงลูกไม่ทันไลยิงเข้าไปเลยที่กลางแสกหน้าพ่อก็ตายคาที่พอพ่อตายนีนเพื่อนรู้ว่าตัวเองโกรธโอ้เสียใจมากนะอันเนี้ยลงอเวจีมหาราลกเลยเพืไปฆ่าพ่อเนี่ยก็เรียกว่าอนันตเรียกรรมลงอเวจีอย่างเดียวนะ อ่า น, นตริยกรรมนี้มีค่าพอ่อค่าแมา่ทำผู้เจ้าให้ล่อให้หอพระโลหิตค่าพระราหันแล้วก็ทำส่งให้แตกแยกสั่งเภทนี่แหละลงอ เ, อเวจีมหานรกเป็นอนันตริยกรรมทำบุญขนาดไหนปฏิบัติธรรมขนาดไหนก็ไม่พ้นนะนี่อันตรายมากใช่หไหมเนี่ยไม่รู้จักว่าความโกรธเป็นยังไงนะพอรู้จักปั๊บก็ทำคนก็ตายก็มีนะพอรู้ไม่ทันความโกรธอันนี้เขาเรียกว่าขาดสติ บางคนด่าไปต้องมีนะด่าคนอื่นไปด้วยความโกรธดา่าคนไปพอด่าไปแล้วตนั่งเสียใจโอ้ไม่น่าด่าก็เลยเนาะนี่แหละก็รู้ไม่ทันอารมณ์ของเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสติในจึงมีอันตรายนะอันตรายทำร้ายตัวเราเองแล้วก็ทำร้ายคนอื่นาบางทีเราทำร้ายคนที่เรารักนะาบางทีเราก็มีภรรยาอยู่ดีๆนี่แหละบางทีเรื่องเล็กๆนิดเดียวก็ทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมาขาดสติก็พูด รุนแรงเอย่างนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะก็ได้พูดง่าย ก, ก็ได้พวกนี้นปปนะเป็นไปอยากเลยนะตกลงโอเคพวกนี้ไปอยากก็เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็นั่งเสียใจทีหลังใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าขาดสตินะเพราะการขาดสตินี่สําคัญนําให้เรามีความทุกข์นอกจากเราทุกข์เองแล้วก็ทําให้คนกราทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสติแล้วนะเราก็มีความสุข คนนึงก็มีความสุขไปด้วยเนี่ยมันดีขนาดนี้เลยเนาะแล้วนอกจากเรามีความสุขแล้วเราก็พ้นจากความทุกข์ได้เบอร์เพิร์ดจะนิพพานได้ด้วยในชาตินี้เนาะมันไม่ยากหรอกนะเราก็มาเจริญกันนะก็คือตามรู้กายรู้ใจนี่แหละตกติเราก็เราก็อยู่กับกายอยู่กับใจอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เดินยืนนั่งนอนอยู่ประจําอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะใช่ไหมอ่าสมัยก่อนเราก็อาจจะทานข้าวแต่เราก็ไม่รู้กําลังทานข้าว อ่าทานข้าวไปก็คิดไปเนี่ยเขาเรียกว่าเราหลงไปใช่ไหมเราไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะกาลังทานข้าวก็ไม่รู้ว่าขณะนี้กาลังทานข้าวแต่ไหลไปนในความคิดนะเราชื่อว่าเราหลงไปอ่านี้เขาเรียกว่าหลงทางกายใช่ไหมหลงทางใจก็คือไม่รู้เนะี่ยขณะนี้กาลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมอ่าอันตรายอย่างเงี้ยเนาะเราจริงต้องมาฝึกกันคราวนี้ฝึกอ่าเราฝึกอย่างเงี้ยมันถูกต้องตามพระตไตรปิฎกไหมมันที่ก็สงสัยนะเอ๊ะทาไมต้องมายกมือทําไม <laughs> ไม่มีใครก็ ย, ยกมือก็เลยเว็นแต่นั่งนิ่งๆ น, นั่งสมาธิตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มัน่นระลึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมีความสุขมีความปิติอนะให้จิตสงบโอ้อันนั้นรู้สึกว่าเขาหน้าดูนะอนะแต่ถ้าไม่ต้องมานั่งยกมือสร้างยังบะเมื่อยก็เมื่อยใช่ไหมนั่งนิ่งๆไม่ได้หรืออันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเนาะ เนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันต่างกันอย่างไรนะอันนั้นเขาเรียกว่าเราทําสมาธาิจิตนิงน่งนิ่งจิตสงบนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่เขาเรียกว่ามันมันนิง่งนะมันนิ่งมันก็เลยไม่เห็นความคิดไงใช่ไหมบางทีคิดไปต้องไหลหลายเรื่องแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะนะมันไหลไปในความคิดแล้วก็ไม่รู้นะเพราะมันนิง่งอยากมันสงบคราวนี้เพราะมันสงบเป็นไงความคิดก็ไม่ทํางานอีกใช่ไหมนะก็ไม่เห็นความจริงไหมก็ไปบังคับเข้าไว้ใช่ไหม นะเพราะนั้นนั่งสมาธิในบางคนก็มีสองอย่างก็คือคิดหนักกว่าเก่าอีบางคนว่าทำไมเราไม่นั่งสมาธิไม่ให้มันคิดเยอะพอนั่งนี่ประกบแล้คิดหนักกว่าเก่านะอีกประเภทหนึ่งก็นั่งแล้วก็จิตสงบไปเลยไม่รู้อะไรเลยนะรู้แต่นิ่งอย่างเดียวอันนะั้นก็ไม่เกิดปัญญาก็เรียกว่านิ่งไปเฉยเป็นแบบหัวตองสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เคยศึกษามาแล้วนะอาราชดาบทอุกกดาบทเนี่ยบรรลุฌานขั้นสะูงนสะุดก็คือ อา่าลูกประชานนะสูงสุดเลยนะสูงสุดที่สูงที่สุดแล้วเนะี่ยอ่ามีรูกประชานสี่ลูกประชานอีกสี่นะสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าก็สําเร็จมาหมดแล้วนะลูกประชาน4ี่ลูกประชานสีก็เห็นว่าไม่ใช่ทางคนทุกขเพราะจิตสงบอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมานะทางบอกมันไม่ใช่หนทางเราต้องหาหนทางใหม่หนทางใหม่นี่ไม่ต้องพ้นทุกข์ได้จริงๆนะก็คือมารู้ตามกายรู้ตามใจนี่แหละรู้ไปตามความเป็นจริงของเขาเมื่อเรารู้แล้วเนี่ย แล้วก็ปล่อยก็วางในตร ง, ตรงนั้นได้อันนี้ท่านก็บรรลุทำในตรงนี้เนาะ เ, นเพราะนั้นเราจึงไม่ต้องนั่งนิ่งๆนะแต่ถ้าเรามาเจริญสติกั น, นจิตมันก็เป็นสมาธิได้นะไม่ใช่เปนไม่เป็ น, นมันมีความปิติมีความสุขมีสมาธิมีปัญญาในตัวอยู่แล้วตรงเนี้ยเราก็ต้องมาสังเกตดูว่ามันต่างกันอย่างไรใช่ไหมคราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพอนั่งนิ่งๆเนี่ยบอกนั่งนิ่งๆนะทำไง นั่งนิ่งๆก็มี2อย่างอย่างที่ว่าบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเลยบางทีก็จิตสงบเกินไปเลยนะก็เรียกว่าเผลอไปนะฟุ้งซ่านเยอะก็เผลอไปในรมต่างๆจิตสงบนะอันนี้ก็เลยไปเพ่งเอาไว้ก็ไม่ถูกอีกใช่ไหมคราวนี้ม hmm. <ๆ>ันก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างไม่เผลอและไม่เพ่งมันจะทําอย่างไรใช่ไหมตรงเนี้มันสําคัญกว่าไม่เผลอและไม่เพ่งเพราะถ้าไม่เผลอและไม่เพ่งในจิตมันก็อยู่ตรงกลางก็คือจิตมันอยู่ตรงกลางระหว่างไม่เผลอไม่เพ่งเนี่ยมันยิงกายเป็นสติได้ในตรงนี้ใช่มจิต อ่าก็คือจิตที่มันรู้อยู่นั่นแหละมันอยู่ตรงนี้ได้ครนี้จะทําอย่างไรนะถ้าเรานั่งนิ่งๆก็เกิดอาการสองอย่างเพราะฉะนั้นก็มีเครื่องอย่างหนึ่งให้จิตเป็นเครื่องรู้นั่นเองนะเครื่องรู้ของจิตก็คือการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละเอาความจำหยาดของกายเนี่ยมาเคลื่อนไหวเขารู้นะอ่าจริงๆแล้วในมันรู้ทางลมหายใจก็ได้นะมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ครนี้เรื่องลมหายใจในอาณาปณสติเนี่ยการรู้ลมที่ละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดนะจิตใจต้องมีความละเอียดไปด้วย มันจริงจะเกิดสตินะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้เนะี่ยมันจะเกิดสติแต่ถ้าไม่มีสติแล้วเนะี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิไปนะมันก็ไม่รู้ลมหายใจจริงๆหรอกมันกลายเป็นสมาธิกลายเป็นความสงบไปนะพอมีจิตสงบแล้วก็ไปดิ่งในความสงบอีกก็ไม่ถูกบางคนทําไม่ได้ก็กลายเป็นฟุ้งซ่านหนักไปเลยหรือไม่ก็ปวดหัวมึนหัวไปเลยนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีความละเอียดพอที่จะรู้ลมหายใจคราวนี้กลายในเป็นสิ่งที่หยาบนะ จิตมันกายเนี o, ying, have, it, ่ยมันหยาบกว่าเราวก็ใส่ความหยาบของกายเนี่ยมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราไม่รับรู้การเคลื่อนไหวมันก็ไม่เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งนี้เมื่อเรามีการเคลื่อนไหวยกมือขึ้นยกมือลงเรารู้การเคลื่อนไหวของกายจิตที่เข้าไปรับรู้เนี่ยรู้การเคลื่อนไหวคือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาใช่ไหม แต่เมื่อก่อนเราก็เคลื่อนไหวแต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเราไม่เข้าไปรับรู้ในตรงนั้นการเคลื่อนไหวนี่เออทําไมต้องมาเคลื่อนไหวมันถูกหรือเปล่านะอันนี้นะตามพระไตรปิฎกบอกว่าเอาขนทางเอกก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐาน4ี่ก็มีอยู่4ี่อย่างก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือกายเวทนาจิตธรรม นี่อันนี้คือสติปัฏฐานสี่ก็คือทางสายเอกนะอันนี้มีในพระไตยปิฎกนะไปเปิดดูได้เลยคณนนิกายนะกายอ่าเป็นอย่างไรนะกายกา ย, ยานุปัสนาคืออะไรก็คือประการแรกก็คืออ่าการลุลมลมหายใจเข้าออกหรือเรียกว่าอ่าานาปนสติบับพะนะก็คือรู้ลมหายใจเข้าหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้ หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้รู้อาการของลมหายใจก็คือเป็นรู้กายอย่างหนึ่งประการต่อมาก็คืออิรรยบทบพะอิรวดบบพะก็รู้ในกายของเราเนี่แหละยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนนะก็คือรู้ในอาการใหญ่เดินยืนเดินนั่งนอนสี่อย่างนี่แหละรู้ไปนะ ต่อมาก็มีสัมปชัญญะบัพภาสัมปชัญญะบัจภาคก็คือรู้ในบทย่อต่างๆก้มแขนก้มเงยเหลียวซ้ายแลขวาทรงสบงห่มจีวรเป็นการรู้ในบทย่อต่างๆคู่แขนเหยียดแขนทั้งหลายแหล่นี่แหละอยู่ในนี้หมดเลยมีกาไว้คู่แขนเหยียดแขนก้มเงยดื่มกินพูดคิดต่างๆเราเนี่ย เป็นในบทย่อยทั้งหลายแหละนะเพราะฉะนั้นการที่เรายกมือนี่ก็ชื่อว่าเรารู้ในบทย่อยนะก็คือการที่เราคู่แขนเหยียดแขนคู่แขนเหยียดแขนนะเป็นในบทย่อยเราสามารถรู้ได้ในเขาเรียกว่าสัมพัชญญาปัฏพระมีอยู่ในพระไตรปิฎกเนาะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยใช่ไหมเราต่อไปก็เป็นป่าช้าทั้ง9้านะก็คือคนเราในเวลาตายแล้วก็ไปอยู่ในป่าช้าในอาการเป็นอย่างไรนะไปอยวยใหม่ก็ อ่ามันร่างกายเป็นอย่างไรไม่เลือดออกมามีร่างกายผิวดำำําคั้มต่อไปก็กลายมันกระดูกต่างๆนีกลายเป็นร่างกายที่มีกระดูกและมีเส้นเลือดต่อไปก็เส้นเลือดหายเลยแต่กระดูกต่อไปเส้นเอ็นหายกระดูกก็กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆเสร็จแล้วก็กระดูกก็ ค, อ ค, อ ค, อคอ่อยๆผุพังอ่ากลายเป็นฝุน่นเป็นผงแล้วก็ลมพัดหายไปหมดอันนี้คือการอาการของกายหมดเลยนะตอนที่เราไปบัตรนี่ก็คืออยู่ในกายานุพันธ์นาสติปทานนั่นเองนะไม่ได้ผิดอะไร อะเพราเรารู้การยืนเดินนั่งนอนรู้การอ่าไอบทย่อยทั้งหลายแหละนะอ่าเช่นคู่แขนเหยียดแขนเป็นต้นอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะอ่าเป็นสิ่งทตรงอยู่แล้วนะต่อมาก็เวทนาเราก็รู้อาการเวทนาก็คือสุขและทุกข์นะสุขเวทนาทุกเวทน า, ห ร, า, า, นาหรืออ่าอุเบกขาเวทนาหรืออทุขเข้ามาสุขเวทนานะตรงในรู้ความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยของอารมณ์ทั้งหลายแหลใช่มอ่าบางทีเรานั่งนานๆเร า, นานก็เริ่มมีอาการใช่ไหม ทุกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนในบทเน่ครันนี้เราเปลี่ยนก็ต้องรู้ว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรไมก็เพื่อแก้ทุกนั่นเองใช่ไมไม่ใช่เปลี่ยนแบบแเราไม่เข้าใจก็กลายเป็นเปลี่ยนด้วยความหลงไปนะเราเวทนาก็ไม่เที่ยงนะก็แสดงให้ความไม่เที่ยงเราเห็นเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับใช่ไหมเนะี่ยเห็นเวทนาไปนะต่อไปก็จิตตานุปัสสนสติปทานก็คือเห็นจิตในจิต ก็คือจิตมีราคะก็รู้จิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะอจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็คือรู้การของจิตต่างๆนั่นเองนะรู้ความโกรธความรักความชังของลมทั้งหลายและนี่แหละพอเรารู้เท่าทันมันนะ รู้เท่าทันอารมณ์เราเนี่ยก็คือจิตตา่นปัสศนาสติปัฏฐานแล้วนะต่อไปทำมานุ ป, ปัสศนาสติปัฏฐานคือรู้ว่าการเกิดดับของเสียงต่างนะรู้ว่าการเกิดดับของกายบ้างนะของใจบ้างนะความคิดเกิดระดับรนะ่างกายนะลุกนะปุ๊บนะรูปนั่งก็ดับไปแล้วนะเดินปุ๊บรูกยืนก็ดับไปแล้วนะเสียงต่างลเลยนะรู้ในบททั้งหลายแหละนะว่าความเกิดดับเป็นอย่างไรรู้ในธรรมนะ รูในเรื่องสัตว์4นะในนิวรณนะ์หในอายตนาหกนะในความเกิดดับของสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปเราจะเห็นภาวะความเกิดดับของรูปนามได้ชัดเจนนะก็ใส่การเจริญสตินี่แหละเข้ามารู้มาเห็นมันนะจริงๆแล้วมันดูไม่ยากนะัะไม่เป็นเรื่องลึกลับเลย เ, ลยเราเห็นความคิดไหมเมื่อก่อนเราไม่เห็นความคิดเกิดดับแต่เจริญสติเราเห็นความคิดมันเกิดแล้วก็ดับไปอย่างชัดเจนนะเนี่ยก็คือทํามานั่นเองนะเห็นสภาวะความเกิดดับ นี่ยนี่เป็นการยืนยันว่าจริงๆแล้วที่เรามาเจริญสติมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วนะในสติปัฏฐานสนะี่เนี่ยคราวนี้พอเรารู้ตรงเนี้ยเราก็ต้องประการแรกก็ต้องมีความศรัท ธ, ธาก่อนนะศรัท ธ, ธาในการปฏิบัติก็คือต้องเปิดใจนั่นเองใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดใจแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ผลนะเช่นเราเคยไปปฏิบัติอาณาปานาสติมาหรือวิธีการพองยุบนะวิธีการอย่างอื่นมานะนะ เรกว่าของเก่าเราดีอยู่แล้วใช่ไหมพอเรามาฟังวิธีนี้อีกเราก็ไม่เปิดใจก็คือยังไม่ศรัทธาว่าของเก่าเราดีพอเราไม่ศรัทธาไม่เปิดใจมันก็ไม่ได้ผลนะบางทีเราก็ไปแอบปฏิบัติแบบเก่าอยู่ก็มีนะบางทีพออาจารย์ไม่เห็นเราก็แอบปฏิบัติแบบยังเก่าอันนี้ก็ไม่ได้ผลอะไรนะพะเรากำลังเปิดใจใน7วันนี้ลองดู7วันนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะถ้าไม่ได้ผลเราก็เลิกปฏิบัติไปแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างเก่าก็ได้ใช่ไหมเนีเราก็ต้องเปิดใจในตรงนี้เนี่ยเรก็มีความขยันมันเพียน ทําตามวิธีการที่ครูบาอาจารย์บอกทั้งหลายแหลใช่อหมเรามีความขยันมีความเพียรมันก็จะเข้าใจได้ในเทคนิควิธีการต่างๆมันก็ไม่ยากหรอกใช่ไหมก็คือเราสามารถที่จะเข้าใจในตรงนี้ว่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้ได้ไหมใช่ไหมการที่เรารับรู้ความเคลื่อนไหวของกายต่างๆนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เราเกิดสติเพราะสติคืออะไรสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะ ระลึลกได้อะไรระลึลกได้ขณะดนี้เนะี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่นะเรานั่งอยู่ยกมืออยู่ก็รู้ในตรงนี้นะอ่าเราประทานอาหารเดินไปไหนมาไหนก็รู้ในตรงนี้รู้ในปัจจุบันในขณะนี้นะอันนี้เขาเรียกว่ารู้นะในทางกายนะส่วนความคิดเราก็รู้ทันความคิดไปนะอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นอนะ่าเราไม่ได้ไปห้ามความคิดนะวิธีนี้จะไม่ห้ามความคิดนะ เพจริงๆแล้วยิ่งคิดเนี่ยก็ยิ่งรู้นะเป็นวิธีการที่หลวงพิทยาเยนบอกเองนะเป็นเสียงหลวงประยาเย็นบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเราไม่ต้องไปห้ามความคิดบางคนนี่ถ้าจับประเด็นไม่ถูกนะมาปฏิบัติธรรมนี้เราต้องทําการให้จิตสงบอันนี่นแสดงเราตั้งไว้ผิดแล้วอันนั้นเป็นสมถะไปและเมื่อเราไปหาสมถะก็ผิดทางอีกผู้ทิ์นี้ไม่ <c oughs> ไม่ใช่เป็นการทําให้จิตสงบแต่ว่าเป็นการที่เรามาเขย่าท่านรู้ให้เกิดขึ้นนะ ถ้ารู้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ได้เองความหลงมันก็น้อยลงใช่ไหมขั้ น, นี้การเขย่าท่านรู้เนี่ยมันก็คือต้องรู้บ่อยๆนั่นเองนะรู้บ่อยๆรู้กายไปก่อนนะอาศัยเริ่มจากฐานกายไปก่อนไม่ตัวองไปยุ่งกับความคิดนะไม่ต้องไปคอยดูความคิดอะไรหรอกนะ <S <S <ๆ>เขาจะเกิดจะดับก็ช่างเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปให้ค่าเขาใหม่ๆแล้วมาอยู่ฐานกายให้ได้ก่อนนะมารู้ฐานกายให้ชัดๆมาเคลื่อนไหวให้รู้รับรู้ไปก่อนนะ บางทีเรายกมือเนี่ยบางทีเออเรายกมือเรารู้สึกตัวไหมเราก็สงสัยตัวเราเองใช่ไหมเออรู้สึกตัวไหมนะครั้นี้เมือเม่อเรายกแล้วเนี่ยเราเห็นหรือเราเข้าใจไหมว่าเขาเนี่ยเขาเคลื่อนไหวอยู่นะเราไม่ได้ไมองเขาเขาเคลื่อนไหวเนี่ยเราเราเข้าใจอาการเคลื่อนไหววูบไหวนั้นไหมนะถ้าเราเข้าใจในตรงนั้นเออเขาเห็นเขาเคลื่อนไหวอยู่นี่เราก็เห็นแล้วนะก็คือเราเห็นด้วยใจใจเราเห็นการเคลื่อนไหวของจิตนี้นะ ก็คือใช้ใจรู้นะไม่ใช่ใช้ตารู้นะเมื่อเราเห็นความเคลื่อนไหวของจิตเนี่ย mm. เขาเรียกว่าเรารู้อาการของจิตรู้อาการของกายได้ใช่เาเรียกว่าเราสัมผัสรู้ในตรงนั้นนั่นเองสัมผัสไม่ใช่ว่าเราเอาเอาตัวไปสัมผัสแต่ใช้ใจสัมผัสนะสัมผัสรู้การเคลื่อนไหวของกายใช่อ่ยกแขนขึ้นเออใจเราก็สัมผัสรู้ว่า อ, อ่มันยกแขนขึ้นนะ ยกแขนลงมาไว้ที่สะดือก็รู้ว่ามันยกมาไว้ที่สะดือนี่แหละคือการสัมผัสรู้โดยใจที่มันรับรู้อาการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะอคราวนี้บางทีเรายกไปแล้วเอ๊มันรู้สึกตัวได้ไหมเกิดไม่แน่ใจก็มารู้ตอนหยุดก็ได้นะเออมันหยุดปับ๊บเราก็รู้ตอนหยุดก็ใช้ได้เอรู้แต่ตอนที่มันหยุดเฉยๆก็ยังใช้ได้เลยนะครั้นี้เคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้หยุดก็ไม่รู้มารู้การกระทบได้ไหม กระทบที่หน้าตักหรือกระทบที่ทองกระทบที่ อ, อกเนี่ยเรารู้ได้ไหมถ้ารู้ที่กระทบก็ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้รู้การกระทบนี่มันก็ง่ายดีเหมือนกันใช่ไหมครั้นี้ถ้าเรารู้ตรงไหนตรงหนึ่งก็ดก็ได้เราก็พัฒนาในตรงนั้นไปมันก็จะขยายผลไปเองมันก็จะรู้อย่างอื่นไปได้ด้วยนะเมื่อเราเวลาเราเดินจงกลมเดินจงกลมนี่เราไม่ต้องไปรู้หมดทั้งตัวหรอกเราก็เริ่มรู้ตรงไหนก็ได้นะรู้ที่เท้ากระทบพื้นก็ได้ใช่ไหม ลุกไปเรื่อยๆมันก็ขยายไปทั้งหมดทั้งตัวเองนั่นแหละใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งอ่แต่นี้ถ้าเรารู้ได้ทุกอย่างมันก็ดีนะเออเคลื่อนไหวก็รู้หยุดก็รู้กระทบก็รู้ก็ดีนะอ่าเพียงแต่บางคนอาจจะจิตไม่ละเอียดพอเออเราไม่รู้จะรู้ตรงไหนดีก็รู้การกระทบอย่างเดียวก็ยังได้เลยรู้ต้องหยุดอย่างเดียวก็ได้ก็ไม่ผิดมันก็อหน่อยก็เคลื่อนไหวมันก็รู้ได้เองนะอ่าพอรู้ได้เองมันก็เป็นค่อนข้างที่มันจะชํานาญแล้วนะเราก็จะกลายเป็นรู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่รู้เรื่อยๆมันก็ไม่ใช่เราไปตั้งใจรู้นะลูกตั้งใจรู้มันก็ไปเพ่งไปจ้องอีกหลวงพเทียนก็เลยบอกว่าให้รู้อ่าเป็นอลูกโซ่นะให่รู้ตอนนึงเป็นปลูกโซ่นะรู้ตอนนึงเป็นลูกโซ่นี่ความหมายหนึ่งก็หมายความว่ารู้เนี่ยไปเรื่อยๆตั้งต่ตื่นอนอนถึงเข้านอนเลยนะอาจารย์เมสัยเคยถามหลวงพเทียนบอกว่าเ อ, อจะรู้หรือจะไปบัตรเวลาไหนบ้างครับหลวงม่เทียนบอกว่าให้เปบัดตั้งแต่ตื่นอนอนถึงเข้านอนเลยนะ ก็คือเนี่ยรู้ปฏิบัติตอนรู้ลูกโซ่คือทั้งวันแต่จริงๆเรืความหมายหนึ่งก็หมายความว่ารู้ตอนมือลูกโซ่คือรู้เป็นป้องๆรู้เป็นขนาดนั่นเองนะเพราะลูกโซ่เนี่ยเขาก็เป็นอ่าเป็นข้อขใช่ไหมเขาไม่ได้ยาวเป็นเหล็กเส้นนะก็คือรู้เป็นข้อข้อนะหรือรู้เป็นจุดจุดรู้เป็นครั้งครั้งไม่ต้องรู้ยาวๆนะรู้ยาวๆหมายความว่าก็คือรู้ตั้งใจรู้ยาวๆไปเลยนะจิตก็ไม่ได้ไปอยู่ไหนเลยรู้ ตามรู้ตลอดเลยอันนั้น ไ, ไปเพ่งเอาไว้แล้วนะไปเพ่งเอาไว้นะไปคอยประคองตัวรู้ยาวๆเนะี่ยพอทำไปเรื่อยๆก็เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาละอย่างนั้นนะไปคอยเพ่งนั่นนะ่ยมันก็ผิดทางนะออันนั้นก็เรียกว่าเป็นสมถะไปนะมันจะรู้สึกว่าเรารู้ได้เยอะรู้ได้บ่อยรู้ได้นานขึ้นอันนั้นก็ไม่ถูกแต่จริงๆต้องรู้บ่อยๆนะไม่ใช่รู้ยาวๆแต่รู้บ่อยๆก็คือรู้ แล้วก็หลงได้นะเป็นลูกโซ่เนี่ยรู้แล้วก็หลงได้หลงแล้วก็รู้ใหม่ได้หลงแล้วก็รู้ใหม่รู้ก็หลงใหม่อก็คือหลงแล้วรู้ได้เหมือนกันนะะเพราะนั้นมันไม่ต้องรู้ยาวๆหรอกเรารู้แล้วมันก็หลงได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ไปช่วยเขาหลงนะอเขาหลงก็ไปเรื่องเขาเองะไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมคราวนี้พอเราเรารู้แล้วเขาหลงเนี่ยก็คือเมื่อจิตหลงเนี่ยเรากลับมารู้ใหม่ไม่ได้ไหมจิตหลงไปแล้วเนี่ยเรากลับมา อาวกกลับ ม, มาได้ไหมตรงนี้สําคัญกว่าใช่ไหมอาหลงไปคิดไปไม่เป็นไรกลับมาได้ไหมอาตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดไปก็ไม่เป็นไรกลับมาได้ไหมการกลับมาบ่อยๆนี่แหละมันจะทําทเราเก่งนะก็คือสติคืคอความระ ล, ลึกได้นั่นเองระ ล, ลึกได้ว่าอะไรระลึกได้ได้ว่าเราคิดไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นหลงพระเถรที่บอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ไงใช่ไหมก็หมายความว่ายิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นเองใช่ไหม แล้วกอ็อย่าไปกลัวความคิดหรืออย่าไปกลัวความหลงเมื่อหลงไปแล้วเนี่ยเรากลับมาได้ไหมเพราะเรากลับมานี่แหละเราได้หนึ่งคนาแล้วนะได้หนึ่งคะแนนแล้วนะอ่าหลงไปสิบครั้งกลับมาสิบครั้งโอ้เราได้เต็มสิบคะแนนเลยใช่ไหมออันนี้มันจึงว่าต่างกับสมถะตรงนี้ไงสมถะนี่มันก็มีสองอย่างหลงไปไม่รู้เรื่องเอ้ยไหลไปยาวเหยียดเลยก็ไม่กลับมาหรือไม่ก็จมแช่ไปเลยอันนั้นมันก็ไม่ได้เกิดการกลับมากลับมารู้ใหม่แต่อันนี้เรากลับมารู้ได้นะ กลับมารู้ได้โดยอาศัยกายนี่แหละเขาเรียกมันเมื่อเราเคลื่อนไหวมีการสร้างเยาวลักษณก็เหมือนกับเรามีวัวเรามีวัวแล้วก็ผูกเชือกไว้มันก็ไม่ไปไกลก็วนๆอยู่แถวเชือกนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีเชือกผูกมันก็ไปไกลหาไม่ตัวไม่เจอเพราะการที่เราเคลื่อนไหวนี่มันก็เราเป็นเชือกไปผูกวัวอพอเราเคลื่อนไหวเนี่ยมันที่เราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจิตแวบไปมันก็กลับมาได้ละอจิตแวบไปก็กลับมาได้ละใช่ไหมพอเราทําไม่ได้ตั้งใจมากมันก็จะกลับมาได้ แต่ถ้าเราตั้งใจมากบางทีก็ไม่ไปเลยนะก็อยู่นิ่งเลยนะก็ผิดไปนะแต่เราทําสบายๆทํารู้มากไม่รู้มากเดี๋ยวไปมันก็กลับมาไปแล้วก็กลับมาการที่มันกลับมานั่นแหละคือสติก็เพราะว่าสติคือความระลึกได้นั่นเองระลึกได้เราคิดไปแล้วพอระลึกได้ก็กลับมานะไอตัวที่มันคิดไปเนี่ยก็เรามันหลงส่วนที่รู้เนี่ยมันก็คือตัวรู้นะตัวรู้กับตัวหลงนี่มันมันเป็น คู่อ่าคู่ปรับกันนะเพราะจิตเราเนี่ยจะทํางานได้แต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นเองนะอ่าก็คือจิตเนี่ยทำงานได้แต่ละครั้งครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหลงเนี่ยมันก็จะไม่รู้นียมันหลงก็คือหลงไปเลยนะนะในขณะหลงมันก็ไม่รู้นะแต่เมื่อจิตมันรู้มันก็ไม่หลงใช่ไหมจิตรู้มันก็ไม่หลงนั่นเองเพราะจิตเป็นทํางานได้แต่ละขณะนะเพราะในเมื่อมันกลับมารู้ปั๊บในความหลงก็หายไปใช่ไหมนี่แหละตรงเนี้ยมันถึงจะ เรียกว่าเราเก่งในตรงนี้ใช่ไหมยิ่งเราหลงบ่อยกลับมาลูบ่อยเนี่ยโอ้จิตมันจะโตเร็วว่าเลยใช่ไหมหลงไปสิบครั้งรูบสิบครั้งนี่แสดงว่าจิตเราได้ร้อยร้อยเต็มแล้วนะคะแนนเต็มเลยนะนี่แหละสําคัญในตรงนี้แตเราไม่ไปตั้งใจดูนะออหลงสิบครั้งต้องลูบสิบครั้งนี้เราไปตั้งใจเพลงบุ๊คผิดเลยก็คือเรารู้ไปตามธรรมชาตินั่นแหละมันจะรู้ไม่รู้กระช่างมันอจะกลับมาไม่กลับมากระช่างมันไปอีกเราก็ อยู่การเคลื่อนไหวนี่เป็นตัวหลักไปก่อนนะเนี่ยพอเราทําไปเรื่อยๆเราจะเห็นความคิดเองเออพอเราเคลื่อนไหวปุ๊บจาเมื่อก่อนเราไม่เห็นความคิดเราจะจะเริ่มเห็นความคิดแล้วเมื่อก่อนมันแวบไปสิบเรื่องยังไม่รู้เลยว่าแวบไปสิเรื่องตอนหลังแวบไปเรื่องเดียว2เรื่องเราก็รู้ทันละจิตมันก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆค่อยๆโตมาเร็วขึ้นนะตอนนี้เป็นการเขย่าท่านรู้นะอีน้องก็โตมาเรื่อยๆเลยพอโตมาเรื่อยๆปั๊บนี่มันจะเป็นไง จิตมันก็จะมีกําลังมากขึ้นนะมีกําลังในการได้เห็นความคิดเองลบได้เร็วขึ้นนะคราวนี้เมื่อก่อ น, นี่ความโกรธนะนะั่นแหะเรารู้ไม่ทันมันก็อันตรายที่ว่าบางทีไปฆ่าคนตายแลย้วเขาลัวตัวเองโกรธนะนั้นเราช้าไปนะแต่นี้พอจิตมีกําลังปุ๊บพอกด ป, ปุ๊บเราจะรู้ทันเลยนะสมมติว่าความโกรธเป็นเลขห้าแล้วกันนะเป็นเลขห้าก่อนจะถึงเลขห้าก็ต้องผ่านเลขหนึ่งสองสามสี่ก่อนนะก็คือก่อนจะถึงความกวธก็ต้องผ่านความหงุดหงิดความไม่พอใจความขัดเคืองก่อนแล้วค่อยถึงความโกรธก เมื่อก่อนนั่นเราปุ๊บเราเข้าสู่เลขห่าเลยโกรธทันทีเลยเราไม่เห็นอารมณ์ต่างๆแล้วหงุดหงิดไม่เห็นหมดอ่าเห็นรูปเดียวคือความโกรธนะแต่ตอนหลังเพราเรามีสติมีกําลังปุ๊บอ่าสมมติมีใครเขามาด่าเราปุ๊บเราเห็นแล้วเออขณะนี้กำลังขัดเคืองเนะาะกําลังหงุดหงิดนะกลาลังไม่พอใจน ะ, นะเห็นพวกนี้ปับ๊บมันก็ไม่เกิดความโกรธเลยนะจิตมีกําลังนี่มันก็หงุดหงิดปุ๊บมันก็ดับไปอย่างรวดเร็วเลยอ่ามันไม่ถึงความโกรธหรอกเพราะเลขหนึ่งเนี่ยมันดับง่ายกว่านะ มันกไฟป่าเนี่ยไฟป่านี่มันดับยากนะโอ้ดับยากบางคนนี่ดับเป็นวันๆก็ยังดับไม่ได้แต่ไฟกองเล็กๆหนเช่นไม้ขิดไฟมันก็ดับง่ายนั่นเองนะก็พออารมเล็กๆหน่อยความงุนหงิดความขัดเคลืองเล็ ก, เลกๆเนี่ยมันดับได้ง่ายเพราะนั่นเมื่อใครก็ดา่าปุ๊บโอ้เรามีความขัดเคลืองไม่พอใจปุ๊บเรารู้ปุ๊บมันดับไปเลยเราก็ไม่เข้าสู่ความโกรธนะเพราะอารมณ์ต่างๆนี่ก็คือเลข5้าทั้งหมดเลยนะแต่พอเราเห็นอารมณ์แล้วเราเข้าใจลมได้แล้วเราเห็นได้ไว เราจะเห็นเลขหนึ่งทุกทวดลมเลยเลขหนึ่งเลขสองเนี่ยเลขสามแล้วก็ไม่เข้าไปเลขสี่เลขห้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าไปในรมต่างเนะี่ยเพราะจิตมีกําลังหรือไม่ได้ความคิดเหมือนกันเมื่อก่อนเราคิดไปสิบเรื่องเราค่อยรู้อขณะนี้กำลังคิดเพราะตอนหลังเราเริ่มคิดเราก็รู้ทันแล้วโอ้คิดปุ๊บเรารู้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันเห็นตรงนี้ชัดเจนเลยนะจิตมันก็มีกําลังนะมีกําลังเพราะฉะนั้นอความคิดหรือลมลต่างๆมื่อจะทําอันตรายกับเราไม่ได้สมัยก่อนแล้วเนะี่ย เมื่อก่อนเรานึกจะด่าใครเราก็ดา่าพ อ, อตอนหลังเรามีสติปุ๊บเราพอเราอาปากจะด่าพูดเราก็อาปากค้างเลยโอ้นิ่งเลยนะมันก็ไม่ด่าใครเนี่ยเราก็ไม่ทํำลายใครด้วยจิตใจไม่ทํำลายใครอ่ด้วยความพูดไม่ทํำลายใครด้วยอะไรอะไรก็แล้วแต่เพราะเรารู้ทัดแล้วเนี่ยจึงว่าสติเนี่ยมีกําลังในตรงนี้นะอต้องมีสร้างให้อ่าสติมีกําลังก่อนนะพอสติมีกําลังก่อนปุ๊บเนี่ยอะไรอะไรมันก็ทําเราเราไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ย อยู่ไหนก็ได้นะมีความสุขทันทีนะมันไม่มีอะไรที่มันทําอะไรกับเราได้แล้วนะใช่ไหมเมื่อกล่าว่ายน้ําเป็ น, นตกน้ําทะเลเราก็ไม่จมก็ว่ายน้ําได้ใช่ไหมอ่าเนี่ยเราก็ต้องฝึกในตรงนี้ให้ว่ายน้ําเป็นซะก่อนนะเอาว่ายน้ําเป็นนี่ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ว่านยน้ำได้ไม่จมนะแต่ถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นนี่โอ้อยู่ในสระน้ําก็ยังจมเลยนะออกทะเลก็ยังจมใหญ่นะที่เราจมก็เพราะเรารู้ไม่ทันอารมณ์นั่นเองก็จม นะกระทบนิดเนี่ยก็จมอารมณ์ติดอารมณ์ทั้งหลายแหล่นั่นแหะติดหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามีกําลังสติแล้วเชื่อเราไหว้น้ำเป็นเราไปหไหนเราก็ไม่จมใครจมาดาเราเราก็เ ย, ย, ย, ย, ย, ย้เฉยเ้วก็ไม่เป็นไรเราก็ช่างเข้าไปช่างเข้าไปนะช่างมันไปแค่นั้นเองจบไปเลยเพราะจิตมีกําลังแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยมันสิ่งสิ่งเราเนี้ยมันไม่ยากหรอกใช่มใครใครก็ทําได้จเจริญสติง่ายที่สุดแล้วเนี่ย วิธีการเจริญสติง่ายที่สุดเลยเพราะเราไม่ได้เอาความสงบนะอ่าถ้าให้เรามานั่งสมาธิกันมันดูแล้วง่นงางมากจริงแต่มันไม่สงบจริงๆหรอกใช่ไหมมันไม่สงบจริงๆอ่ามันเหมือนก็ได้แต่จริงจริงมันก็ไม่ได้แต่เจริญสตินี่มันง่ายนะอ่าเด็กเด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้ใช่มหมยกมือแค่นี้เองยกอ่ากายขึ้นไหวใจรับรู้เนี่ยแค่นี้ง่ายๆ่ใช่ไหมอ่าแล้วมันก็ไม่ต้องคอยรับรู้ตลอดเวลาด้วยก็เพอได้นะเพอได้ไม่เป็นไร เผือก็ไม่เป็นไรก็กลับมาหลงก็ไม่เป็นไรก็กลับมาเห็นไหมให้อภัยทุกอย่างเลยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยไม่ใช่ว่าทําแล้วต้องไม่เผือไม่หลงไม่จําเป็นหลงก็ได้เผือก็ไ ด, กได้ก็กลับมาเห็นไหมเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองนะอยู่ที่ว่าเรามีความพยายามไหมการเจริญสตินี่มันไ ม, ไม่ไม่ยากหรอกทําได้ง่ายแล้วก็ทํำในตลอดเวลาด้วยนะอันนี้เรามายกมือสร้างจังหวะกัรเดินจงกรมเขาเรียกว่าในรูปแบบ สวนนอกรูปแบบนี่เยอะแยะเลยนะอีกหน่อยพรุ่งนี้เราก็ก <c oughs> วาดบ้านอ่ะกวาดซาราถูซาลา <c oughs> อาบน้ําแปรงฟันทั้งหลายซ <c oughs> ักเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราก็รู้ไปด้วยนะรู้เท่าที่เรารู้ได้นั่นแหละนะไม่ได้ไปตั้งใจรู้ร้อยเปอร์เ็นหรอกรู้เท่าที่เรารู้ได้ถ้าไปตั้งใจมันก็ไปเพ่งไปคอยประคองไปคอยจ้องอีกนะก็ไม่ถูกรู้เท่าที่เรารู้ได้ใช่ไหมอ่านะทำให้มันไปเรื่อยๆไงทั้งวันนะ คนี้ตอนเช้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครตรงเนี้ยถ้าทําได้ก็ดีนะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยแหละพอตื่นปุ๊บนี่เรายังเพิ่งลุกนะอ่าเราก็ให้รู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยลุกนะถ้าเรารู้สึกตัวก่อนเราเราค่อยลุกเนี่ยเราก็จะรู้ต่อเนื่องเลยอพอรู้เรารู้สึกตัวก่อนนะอ่าไม่รู้สึกตัวก็ทําให้เขารู้สึกตัวก็แล้วกันนะอ่ากระดิกนิ้วอะไรก็ได้นะเอานิ้วมาเคาะอ่าเ้าขมเล่นก็ได้อเคาะเคาะตัวให้รู้รู้สึกตัวนิดนึง พอรู้สึกตัวปั๊บล้วก็ลุกขึ้นมาพับผ้าห่มก็รู้สึกตัวไปด้วยนะแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันเข้าห้องน้ําก็รู้สึกตัวไปด้วยเนะี่ยทําเนี่ยต่อเนื่องไปเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวได้ไปเรื่อยๆทั้งวันเองใช่ไหมออันนี้มันก็เริ่มแต่ต้นตังต้งแต่ต้นเลยอ่แตื่นนอนหนึ่งเข้านอนแล้วก็ทําตรงนี้ได้นะค่อยๆทําไปอย่าไปตั้งใจมากเกินไปนะตั้งใจมากมันก็เครียดกตึงอีกนะรู้มากไม่รู้มากก็ไม่เป็นไรหลงมากก็ไม่หลงก็ไม่เป็นไรช่างเขา เราก็มีหน้าที่ก็ทําไปนะตรงนี้นะหลวงป่อเทียมบอกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะเพราะในเจ็ดวันนี้เราก็ไม่ต้องอยากได้อะไรนะถ้าอยากได้แล้วมันก็ทุกข์พอเราอยากได้มันก็ทุกข์แล้วนะอพออยากได้แล้วมันเกิดไม่ได้เราก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหวังอยากได้อะไรเหมือนที่หลวงป่อเทียนบอกนะอก็ทําไปนี่แหละมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะเราไม่ได้ไปหวังอะไรกับเขา นะเราแค่มาทําการเจริญสติเท่านั้นเองนะเขาได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะวางใจอย่างเงี้ยแล้วมันก็จ ะ, จ ะ, จะได้เองใช่ไหมมันก็จะมันก็จะผ่อนคลายจะสบายสบายนะคราวนี้อย่างวันแรกเนี่ยมาฟังนี้ก็เข้าใจแล้ะทํำสบายๆไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปได้อะไรพอผ่านมาสามวันนี่โอ้ทําไมสามวันผ่านมาแล้วทําไมมันยังหลงอยู่นะทํามยังคิดมากอยู่ทําไมมันไม่เห็นมีสติต่อนเนื่องจริงๆนาทีหนึงทําไมมันไม่รู้ตลอดเวลาทั้งวัน ครัน้นี้ก็เริ่มแล้วเริ่มไปเพ่งนะบางคนเริ่มไปเพ่งเลยนะตั้งใจเพ่งเลยให้มันรู้ต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาเลยนะไปคอยประคองจิตเอาไว้ตลอดเวลาเลยมันก็รู้สึกว่าเออมันรู้ดีน ะ, ะจิตตั้งมั่นดีนะแต่จริงๆแล้วมันก็เริ่มผิดแล้วเนี่ยไปตั้งใจปุ๊บไปเพง่งอันนั้นเรียกว่ารู้แบบเล็กเส้นนะมันรู้ยาวๆเนี่ยจิตสงบ ไปเลยนะรู้ยาวๆนะสักปรกเดี๋ยวก็เริ่มปวดหัวแล้วนะเนี่ยเราก็ต้องวางใจให้ถูกต้องเลยนะว่าเราไม่ต้องไปหวังอะไรกับเขาถ้าไปหวังแล้วมันจะรีบไปมันจะไปเพ่งมันจะสมมติก็จะไปไ ป, ไปเพ่งเอาแต่เราไม่ไม่ไม่ไม่ไปหวังอะไรเขาเราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยก็ทปสบายรู้มัง่งไม่รู้มังม่งเผลอมั่งหลงมัง่งก็ไม่เป็นไรรู้แล้วก็กลับมานั่นแหละได้คะแนนแล้วนะอ่ยิ่งเผลอยิ่งหลงกลับมายิ่งได้คะแนนเยอะเนี่ย ใจก็มีความสบายมากขึ้นเรื่อยๆนะการบาทำก็ง่ายรู้สึกว่าเจ็ดวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวก็จบแล้วนะแต่เราตั้งใจผู้มโอ้เราจะนเริ่มนับแล้วออวันนี้วันที่เลอหกวันเลอห้าวันนะติดคุกแนละ้วยังไงมันมีความทุกข์ทันทีนะนะระวังใจให้ดีนะมานี่เหมือนกับเรามาพักผ่อนกันแล้วกันนะอส่วนการแบบทำก็เป็นของแถมโอ้มันก็มีความสุขนะนะทำอย่างเงี้ยใจอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขนะ คันนี้เนี่ยพอเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆก็จะทําอะไรเราไม่ได้นะฮะเนี่ยพออารมณ์ต่างๆทําอะไรไม่ได้เราก็มีความสุขพบช่าแล้วก็น้อยลงใช่ไหมอ่าพอเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเริ่มเห็นความคิดเริ่มเห็นอารมณ์แล้วเนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้เลยนะว่าเราจะทำอะไรต่อใช่ไหมอ่าหลังจากเราเห็นอารมณ์แล้วขณะนี้ก็เริ่โกรธแล้วนะเราก็รู้ว่าเราจะโกรธต่อหรือไม่โกรธต่อใช่ไหมหรือขณะนี้กําลังรัก เราก็รู้ว่าเออเราจะรักต่อหรือไม่รักต่อเนี่ยมันมันตัดสินใจเลือกได้นะไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก็โกรธก็โกรธไปเลยรักก็รักไปเลยนี่แหละมันก็จะตัดสินใจได้เพราะเรามีสติแล้วเนี่ยสติมันจะรู้เท่าทันอารมณ์พวกเนี้ยเราสามารถตัดสินใจได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมอ่มันไม่ต้องว่ามันไหลไปตามลมสมัยก่อนอันนั้นอ่ะพอไหลไปปุ๊บเนี่ยเรามีความทุกข์ตลอดเลยนะอ่าเขาเรียกว่าไหลไปตามลมนะไหลไปตามกิเลสตัณหาแต่ตอนหลังเราจะเริ่มเห็นกิเลสตัณหาแล้ว พอตอนหลังพอเราเริ่มเข้าใจบ่อยๆนะ่มันก็เริ่มห่างเราไปเรื่อยๆนะกิเลสปัญหาก็เริ่มห่างจากเราไปเรื่อยๆนะเราก็มีความสุขมากเรื่อยๆนี่แหละตรงนี้นะตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอ่าสามารถที่ทําได้ในชาตินี้นะมันไม่ยากหรอกแล้ถ้าเราทําได้แล้วเนะี่ยก <ๆ S 2> ิเลสเราก็จะห่างไปห่างไปมันไม่หมดไม่เป็นไรแต่ให้ห่างไปเถิดห่างไปนานๆมาทีก็ยังดีนะเออไม่ไม่ต้องหมดไปหรอกนานๆมาทีก็ยังดีไม่เป็นไรหรือจะหมดไ ป, ไปนนก็ยังดีนะ เนี่ยมันจะยิ่งห่างเรื่อยๆนี่แหละพบชาเราจะน้อยลงนะการเป็ nah, <cept ๆ S 1> นบ่ายตายเกิดเราจะน้อยลงแต่ถ้าเรามีกิเลสเยอะนะมีกิเลสเยอะนี่โอ้พบชาติมันยาวมากเลยนะมันไม่รู้ต้องเกิดอีกกี่พบกี่ชาตินั่นแหละความโลภความโกรธความหลงยิ่งมีมากเนี่ยยังพบชาติพบชาติยาวแต่ถ้ามันน้อยแล้ะพบชาติจะสั้นลงนะเพราะฉะนั้นมันจะสั้นลงเนี่ยเกิดจากการที่เรารู้ทันเขารู้ทันเขาแล้วก็ปล่อยก็วางไปอย่าไปยุ่งเกี่ยว ไม่ไปสนใจด้วยไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็น้อยลงไปเองจริงๆทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวเขาก็น้อยไปแล้วนะเขาก็เลิกกันไปอยู่แล้วนะพอไปยุ่งเกี่ยวด้วยเขาก็ยาวใช่ไหมเพราะอารมณ์ต่างๆไม่มันไม่เชื่อมันต้องหมดไปหรอกเพียงแต่เขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไปให้ค่าเขาไหมไปสนใจเขาไหมไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไหมนะตรงนี้เท่านั้นเองนะอีกหน่อยเราจะเริ่มสังเกตแล้วเออเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไหมเราจะเห็นอารมณ์ได้ชัดเราจะไปยุ่งเขาไหม เนะพราะเราเข้าใจในตรงนี้ปั๊บคบชาติลดทันทีเลยนะลดไปเลยนะเพราะเรารู้แล้วว่ามันมันไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้วเพรอลงทุกอย่างมันคือความทุกข์ทั้งหมดนะ น, นี่แหละเราจะเห็นในตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วเราก็จะเอจอความทุกข์เนี่ยได้นะหลังจากนั้นคบชาติเราจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะจนอาจจะหมดไปในชาตินี้เลยก็ได้นะพนิพพานใะนจริงๆไม่อยู่ไกลหรอกใช่ไหมเราไม่ต้องรอให้เขาหมดแต่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเท่านั้นเองนะนะไม่ก็หลวงปู่ดูนะ่ะมีคนถามหลวงปู่ดูลงว่า ลุงปูดูลมีใครที่ละความโกรธได้เด็ดขาดไหมลุงปูว่าไม่มีใครละได้เด็ดขาดหรอกมีแต่รู้ทันแล้วมันกระดับไปลุงปูยังมีความโกรธอยู่ไหมมีแต่ไม่เอาใช่ไหมขนาดพระระดับนี้ยัง บ, บอกมีแต่ไม่เอาเลยน ะ, ะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีได้อยู่ที่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาแต่จริงๆลุงปูดูลถ้าไม่มีหรอกนะเพียงแต่ท่านเห็นมันแล้วท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองเนาะเนี่ยเพราะนั้นอีกหน่อยเราก็เห็นตรงนี้เออความโกรธมี แต่เราไม่ยุ่งเกี่ยวก็คือไม่เอานั่นเองนะนี่แหละพบชัยก็น้อยลงเนี่ยขนทางความ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เองเนาะอะเพราะฉะนั้นในอโอกาสนี้นะก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตาไตรนะน้อมนําให้ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมทั้งหมดน ะ, ะรวมแล้วทุกคนทุกท่านที่อยู่ในศาลานี้ะให้เจริญด้วยสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความ้นทุกข์ถึงซึ่งมัชฌิมนิพพานได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอเอียเตรียมตัวกราบพระ